เรื่องจากเรื่องจากค่าเรื่องการบริจาคเนี่ยความมั่นคงก็ต่างกันผู้ที่เป็นฐานบดีมั่นคงแล้วก็อุปสมาีิฐานคือความมั่นคงในความสงบระงับแห่งจิตอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะทางจิตคือคือเป็นเรื่องความมั่นคงทางจิตแล้วเราก็จะเห็นว่าคนที่ตกใจง่าย จิตมั่นคงหรือไม่มั่นคงคนที่ความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนแปลงง่ายจิตมั่นคงหรือไม่มั่นคงไม่มั่นคงแต่บางคนเนี่ยมั่นคงเกิอดอะไรขึ้นก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตื่นเต้นไม่มีความรู้สึกตื่นกลัวอารมณ์ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายพวกนี้มีจิตที่มั่นคงจิตใจเหนืออารมณ์เป็นอุ ป, ปัสมาธิฐาน นี่เป็นออกมาเป็นข้อธรรมอย่างนี้เรียกว่าอาธิฐานทั้งหมดแปลว่าความมั่นคงหรือความตั้งมั่นท่งจิต ด, ด้วยกันทั้งสิน้นอันอาทิเนี่ยอาิแปลว่าอะไรอาทิแปลว่ายิ่งก็ได้แปลว่าทับก็ได้ฐานะนั้นแปลว่าตั้งมัน่นคือตั้งะที่ตั้งเอามารวมต่อกัน แปลเป็นในไทยว่าตั้งมันก็ด่หรือแปลว่าตั้งทับก็ด่ามฟังดูพิลึกหน่อยนะตั้งทับเนี่ยหมายถึงว่าเป็นที่ตั้งทับเพราะว่าอาธิษฐานเนี่ยเป็นที่เหมือนกับฐานพระฐานพระฐานพระเนี่ยเป็นที่ตั้งทับเอาอะไรไปตั้งทับบนฐาน เอาพระไปตั้งทับโบทานเก้าอี้ก็เป็นที่ตั้งที่เรามานั่งทับเป็นที่ตั้งทับของเราคุณธรรมที่เรียกว่าดีฐานนะเป็นที่ตั้งรองรับนะเป็นที่ตั้งทับคือเป็นที่ตั้งรองรับของความสําเร็จทั้งหลายที่บุคคลมีความต้องการมีความปรารถนานะใครต้องการปรารถนาอะไรก็ อธิษฐานเอาและอธิษฐานนี้ถ้าถามว่าเหมือนกับต่างกับการวิงวอนอย่างไรการอ้อนวอนของอผู้ที่ไปอ้อนวอนขอกับสรรพภูมิบางหรือขอกับอะไรต่อมีอะไรหรือฝ่ายเทวานิยมก็ อ, อ้อนวอนขอกับพระผู้เป็นเจ้าที่ตัวเองนับถือ ต่างการอธิษฐานในพระพุทธศาสน า, าตัวไหนถ้าเป็นการอ้อนวอนนั้นนะ่ะถ้าหากว่าทำดีๆเนี่ยบางทีก็ได้ผลในทางอาธิษฐานแบบฝรั่งนะคือหมายความว่าเราอ้อนวอนทุกวันว่าขอให้เราทำมาค่าขึ้นขอให้เราทำมาค่าขึ้น ก็ทำให้เราเนี่ยมั่นคงในเจตจำนงของเรานะทำให้เกิดการสแสวงหาเกิดการรักษาจุดมุ่งหมายขอตัวเองอันนี้อาจจะเป็นไปได้มันได้เพราะว่าไม่ใช่ได้จากข้างนอกแต่ได้เพราะออาพลังภายในเหตุผลภายในแต่ถ้าเป็นการอ้อนวอนอย่างฉาบฉวยที่เราอ้อนวอนกันอย่างโดยทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดพราการอ้อนวอนเหตุผลแค่อ้อนวอน แต่ที่บางคนเขาให้ความช่วยเหลือได้อย่างที่เราไปอ้อนวอนขอเนี่ยเรายังยอมรับไม่ว่าการอ้อนวอนเนี่ยยังใช้ได้อยู่ขอร้องขอร้องครั้งที่หนึ่งเขาไม่ยอมตอนอ้อนวอนไม่ได้ก็เลยยอมยอมลูกตือนทีเลยก็ลูกเตือมันก็เหมือนเอาลูกนองอ้อนวอนเหมือ น, ออนกันซึ่งอาการที่การอ้อนวอนเกิดความสําเร็จในเหตุผล ทางศาสนาบอกว่าไม่ได้จะสาเร็จเพราะการอ้อนวอนแต่สำเร็จเพราะตัวของเขาเองใช่ไหมยกตัว อ, อย่างอย่างนี้เงื่อนไขในตัวเขาเองกับผู้ที่ถูกอ้อนวอนนั้นก็เห็นว่าพอใจถูกกล้อนได้เช่นลูกไปอ้อนวอนพ่อว่าซื้อรถยี่ห้อดีๆให้ลูกสักคันหนึ่งเถอะวันแรกไม่ยอมวันที่สองอาจจะยอมแต่ถ้าไม่ใช่ลูกไปอ้อนวอนได้ไหมว้าท่านครับ เราไม่เคยรู้จักกันมาเลยนะครับช่วยช่วยซื้อรดราคาแพงๆอย่างที่ซื้อให้ลูกห้ขับมาให้ผมตะคันหนึ่งนะครับออนวอนทั้งปีก็ไม่มีทางได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลไม่มีพื้นฐานในส่วนที่ทางศาสนาเรียกว่าเป็นเรื่องของกรรมคนเป็นพ่อเป็นลูกนี่ก็ทำกรรมล่วงกันมา ห, หรือคนที่มีความอุปก า, าระเกือ้อกูลหรือมีมีทาไมายถึงว่าบำเพ็ญประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอามาขอลดเอาไปใช้เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์นั้นก็อาจจะได้ อ, อย่างนี้ก็เป็นเหตุผลในทางกรรมในทางอื่นไม่ใช่เพราะเพียงแค่อ้อนวอนโดยไม่มีเหตุผลอะไรนะอุตพุาธศาสนาสอนให้อ้อนวอนไหม สอนให้ออนวอนะอ่าเรานึกดูดีขอนะขอกับเทวราชคือมีเหมือนกันนะเรื่องขอเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อธิบายว่าการสำเร็จนั้นได้เพราะการขอไม่ใช่ขออย่างที่อ่ารัตถิภายนอกขอนะอย่างเช่นว่าขอให้ขอคนเนี่ยขอคนขอไม่ใช่คนก็นแล้วแต่นะครับมันอยู่ในความหมายเดียวกัน ให้ได้ให้ความสำเร็จอย่างนี้จงเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นไปขอแก่แก่พระพุทธเจ้าให้ทรงอํานวยพรอย่างเช่นนางสุบวาสาตังคันมาตั้งเจ็ดปีโดยบุปกรรมบางอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานพรขอให้ปลอดนี่เพราะหมดกรรมหมดกรรมพอดี จริงจงหมดกรรมบอดีถ้ามาขอปีแรกก็ไม่ได้ไม่มีทางสำเร็จล้วมีอย่างอินเดียในที่เดียวเวลานี้มีคนแก่มีชื่อว่าโอมประกาศชื่อโอมประกาศเลื่อมใสพระไทยองค์หนึ่งชื่อพระคูประกาศเหมือนแขกชื่อโอมประกาศพระไทยชื่อพระคูประกาศเลื่อมใสามากเลย คนอินเดียส่วนใหญ่เลื่อมใสบุญท่านอยู่ดีที่อินเดียทีนี้องกษัตริย์เนี่ยแกมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบันนะโอ้รวยมากก่อนเนื้นก็ทําก็แกรรับจ้างซ่อมแซมบ้า น, นอะไรงแค่ไม่รวยแหละนี่แกเลื่อมใสนะเพราะว่ามาขอพรจากพระกูประกาศกว่าขอให้ได้ทามาค้าขึ้นล้ำรวยพระกูประกาศก็ให้พรมา ผมก็ไม่รู้ว่าให้ทรงเดชหรือให้ว่ารูจา้จะรวยก็ไม่รู้ตั้งแต่ห้าพระคูประกาศให้พรมาแกทํามาค้าขึ้นแล้วหมอขอสร้างเดี๋ยวนี้ตั้งบริษัทใหญ่โตเลยเพราะฉะนั้นแกก็มาอดหนุนทั้งทั้งที่เป็นฮินดูนะเดี๋ยวนี้ยังเป็นฮินดูอยู่แต่เลื่อมใสพระครูประกาศแล้วมีครั้งสุดท้ายนี่ก็ทอดกระถิ่นกันที่ไปทําบุญที่ไปสร้างทอดไปไปที่ป่าอาที่วัด อีสี่ประต์ที่อีสี่ปัานาริษทยาวันเนี่ยนะก็เงินไม่ครบล้านได้กี่แสนยู่ล้านขาดเยอะขาดเป็นล้นแสนคนที่เป็นประธานทอากรถินก็สวดมนต์จุดุ่มหน้ารูปูบกาศบอกว่าช่วยเติมให้เต็มล้านเดียโอ้ก็ลุ้นกันจนกะทั่งต้องไปทอดกระินก็ยังขาดเป็นลนแสนนี่นั่นแหละ ไม่เต็มล้านนะก็ไปพอไปถึงที่นั่นปรากฏว่านายอมประกาศนี่ครับแกรู้กระินพระกูประกาศมาแกเอาเงินทั้งถามาขานเท่าไหร่แกเติมให้หมดเลยเต็มล้านมาดีนี่แกก็เล่าว่าทำไมถึงมาเติมเต็มล้านบอกว่าเมื่อคืนก่อนที่ กะดิญจะมาเนี่ยพอครูประกาศไว้หาแกเรียกว่ากันนะเดินปรีเข้าไปที่ห้องอย่าครับมาถึงก็ไปจับแก่เห็นมือสดๆเนี่ยมือมันมือคนเป็นเนี่ยนะนี่แกว่านะมาถึงก็มาจับยิ้มแย้มแจ่มใสตายเหมือนละมีชีวิตเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปแกก็โกดีใจมากนึกว่าแล้ครูยังไม่ตาย ก็รู้ว่าตายทั้งไปสดๆนะพูดแล้วเหมือนแก่โกหกแต่คืงไม่โกหกเพราะการเงินมาให้เป็นแสนเนี่ยเลยไ ด, ไ, ดได้ได้เต็มล้านเพราะไปไปขอเนี่ยบอกว่าเลยมีสองเรื่องคือหนึ่ ง, งขอเงินเต็มล้านสองขอให้รวยเนี่ยได้เพราะขอจริงครับเรา อันนี้ถ้ามองด้วยสายตาชั้นนอกก็เหมือนขอนะแต่จริงๆแล้วจะต้องเป็นเหตุผลข้างในที่เจ้าตัวเนี่ยอย่างเช่นว่านายอมประกาศกับพระครูประกาศเนี่ยสองท่านเนี่ยอาจจะเคยทําบุญเกี่ยวข้องกันมานะแล้วก็เอ่อมันมีข้อแม้ของบุญของกรรมอยู่ว่านายอมประกาศจะต้องมาร่ํารวยเพราะเกี่ยวข้องกับคนนี้คนนี้จะต้องมาเป็นผู้ชี้ทางทํำไมมาเกี่ยวข้อง ก, กันก็ยังไม่มีทางที่จะร่ํารวย นะทาน้องชายหญิงคู่หนึ่งถ้ายังไม่ได้มาแต่งงานก็ยังจนกันอยู่ทั้งคู่พอมาแต่งงานกันก็ถึงเป็นผู้นําลาบนําโชคนําความรุ่งเรืองมาสู่ซึ่งกันแล้วกันอย่างที่เราพูดพูดกันอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของความเกี่ยวก็คือว่าผลบุญบางอย่างเนี่ยมันเหมือนว่ากินคนเดียวไม่ได้ต้องให้อีกคนหนึ่งมาเกี่ยวด้วยมาร่วมกินด้วยถ้าก็ยังมามาไม่ถึงโตก็กินไม่ได้ต้องรออีกคนหนึ่งมา เลยเลยกลายเป็นอย่างไงเลยว่าการรีฐานเนะี่ยเหมือนเป็นการขอร้องอความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคนไม่มีบุญกุศลแล้วขออย่างไงก็ไม่ได้แล้วก็มันมีข้อได้จริงอันหนึ่งว่าคนที่จะเหมือนอยากจะให้คนอื่นเข้าขอเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไปเปิดโอกาสให้ใครขอเนี่ยท่านต้องดูว่าคนนั้นจะสําเร็จไหม พ้ขอแล้วไม่สําเร็จท่านทําให้ลืมเท่านั้นท่านบันดานให้ลืมทำลาวว่าเงนบรรดาให้ลืมคืนทํำไมเขาลืมพรามาขอแล้วให้ก็ไม่ได้เขาเสียเสียค่าขอเสียเวลาขอเสียเสียด้วยกันทั้งคู่นะฮะขอไม่ได้ท่านก็ทําให้ลืมหรือทําให้มีเหตุอะไรแต่อะไรเป็นไปเสียแต่ถ้าว่าคนไหนที่เขาพอมีบุญจะสําเร็จเนี่ยคนที่จะถูกขอเนะี่ยอยากจะให้ขอถูกไหม อยากจะให้ขอขอแล้วจะได้รับความสําเร็จมันพวกเทพยาดาทั้งหลายเนี่ยเต็มใจมากขวนขวายมากที่อยากจะให้พวกลูกช้างที่มีบุญมาขอจะได้ดนให้ดนให้เกิดความสําเร็จนะแล้วลูกช้างกันนีกว่าพอช้างบรนดาลให้เอาชิงไว้ใจเราบุญของตัวเอง ทำไมพอไปด้วยกันสามคนนะขอสามคนได้คนเดียวอีกสองคนไม่ได้ทําไมยังเป็นงี้ย น, นะอันนี้ก็เรียกว่าขอแบบให้ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการขอในในแง่ของคุณธรรมอะไรต่อะไรเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็นบอกว่าไม่ใช่เป็นการขออย่างเช่นว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณความดีเป็นเรื่องของคุณสมบัติไม่ใช่ปกสมบัตินะอันนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่า เราไปขอศีลอย่างลาบลาเอาศีนมายัดใส่หัวเราเลยเปล่าฮะเราไปขอศีลอย่างราบแล้วว่าเราอาศัยท่านเพื่อยังของข้างในให้เกิดขึ้นใช่ไหมทําวีรัตให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองอ่าเหมือนอย่างเนี้ยท่านท่านพระพระปูบาพระมจาจักเนี่ยมีเรื่องเรื่องอะ ผู้หญิงคนหนึ่งนี่เขาเขาจบปริญญายเอกเนะอยู่ทางใต้เป็นนักกิทยาการแล้วก็เขาก็โดยทั่วไปเขาเป็นคนดีประสบความส็จในชีวิตนะฮะเป็นคนดีแต่ว่ามีไม่ดีอย่างเดียวเขากินเหล้าเป็นไม่ได้กินหัวหลันนะเขาก็กินเพราะว่าต้องไปสังคมอะ้รก็ยังกินนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นรอยด่างอันหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยมาอ อ, อยู่อยู่ในแวดวงธรรมมาแล้วไม่สู้จัดจเจริญทัดทีควร ก็ไปกราบเนี่ยครัท่านพระครูบารมจักไปกราบท่านด้วยความเร่อนสายแล้วท่านท่านบอกว่าขออย่างได้ไหมโยมขอวินทบาทอย่างบอกขออะไรบอกอยากกินเหล้าได้ไหมเอ๊ไม่เคยลกไม่เคยมาหาท่านเลยนะั่นทไมท่านรู้ก็ไม่รู้บอกอยากกินเหล้าได้ไหมเอ๊นี่กลายเป็นว่าใครขอใครไม่รู้เนี่ยเราไปขอสีนเนี่ยก็ไม่รู้พระขอขอโยมหรือโยมขอพระ โยบอกว่าโยปลาบอกว่าโยมอย่าฆ่าสัตว์นะนี่ท่านไม่รู้ว่าใครขอใครคิดดูดิอย่าฆ่าสัตว์นะเราก็บอกครับไม่ฆ่าสัตว์อย่ารักทรัพย์นะข่าไม่รักทรัพย์นั่นอันนี้ก็เหมือนกับท่านให้ศีล น, นะคําขอท่านเหมือนท่านให้ศีลก็ก็เลยตกใจว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทำไมรั่วเรากินเหล้าเนี่ยแล้วก็ออกปากขออย่างนี้แสดงว่าเอท่านผู้ขอเนี่ยท่านก็คงจะเห็นว่าทักเติมอันนี้ก็ไปอย่างความเจริญในธรรมจะเปลี่ยนไปได้ไกลเออในที่สุดก็ทําให้ตอนหลังเนี่ยท่านผู้นี้มาปฏิบัติธรรมก็ดูมีความเจริญกลายเป็นนักปฏิบัติธรรมไมได้ บางทีพวกเราอาจจะรู้จักนก็ได้บางเป็นเป็นคนรุ่นเราซึ่งอายุไม่มากย่อปริญญาเอกเอ่านี่เป็นเป็นเรื่องของการขอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะขอโภคสมบัติหรือขอคุณสมบัตินั้นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของของข้างในไม่ใช่ของข้างนอกนะและการอธิษฐานนั้นมันเป็น สิ่งที่แยกต่างจากการออนวอนตรงที่เราได้บอกกับตัวเองว่าเราต้องการผลอย่างนี้ต้องการผลอย่างนี้ตัวอธิษฐานตรงๆเนี่ยนะคือความต้องการผลเล่งไปที่ผลแต่เมื่ออธิษฐานเกิดขึ้นแล้วความอธิษฐานนั้นย่อม ไปฉุดชักลาเขตหรือไปปลุกเหตุของความสําเร็จที่เป็นรูปของความพยายามก็ดีว่าเราควรจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เกิดความสําเร็จมันอาจจะมาโดยเหมือนไม่รู้เหนือรู้ใต้บางก็มีอย่างในความผิดของฝรั่งเขาหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรารู้เหนือรู้ใต้ก็ดี อธิษฐานเนี่ยคือหมายว่าเราเห็นเราแล้วอธิษฐานซ้ําเข้าไปกว่านี้เราครบแล้วขอให้เราเนี่จเจริญในสิ่งที่เราครบบ่อแสนี่ยิ่งยิ่งขึ้นก็ทําให้เราเกิดความกำลังใจและเห็นเหตุเป็นไปได้มันเหมาะขึ้นซึ่งอตรงนี้ท่านในทางศาสนาเนี่ยผมผมได้มีความรู้สึกว่าเราพบความอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งอันหนึ่งผมก็คิดว่าหลายคนคงจะเหมือนเหมือนกับความรู้สึกของผมว่า ในหลายเรื่องเนี่ยนะฮะเราไม่รู้จะไปจับมือใครดมมันเป็นกระแสของความวุ่นวายสับสนยกตัวอย่างเช่นในทางปัญญาอุนบัติในทางปัญญาผมเนี่ยเมื่อเรานี่ย้อนเล่าถึงความว่าใจเดิมๆ เ, เก่าๆของตัวให้ฟังว่า เมื่อก่อนเนี่ยเรารู้จักศาสนาเรานื้ศาสนาพุทธเนี่ยเหมือนกันทั่วโลกแลละไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันสำนักไหนก็เหมือนกันพอเรารู้จักสำนักมากขึ้นฟังธรรมมา ก, มากขึ้นเราชักรู้สึกก่าพกข้อขัดแย้งคนนั่นก็ว่างนี้คนนี้ก็ว่างนั้นเราไม่รู้จะจับมือใครดมมันก็ว่าไม่รู้จะเยื่อใครทำไมถึงเป็นอย่างนี้อันไหนถูกอันไหนดีอันไหนผิด อันไหนชอบโดยธรรมของรลกุตธเจาแล้วเราทำไงเราหาทางออก้วเราจะพึ่งใครดีเพื่อะเราจะพึ่งใครดีทีนี้ท่าบอกก็พึ่งตัวเองนี่ไปหาหนพระิดอกิฎกเองนีไปทดลองปฏิบัติให้หมดก่อนที่ไหวไหมไม่ทันการไม่ไหวบางคนาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะทาอย่างนั้นแต่มีวิธีหนึ่งค่ะ ที่เราพึ่งได้คือพึ่งอธิษฐานทุกวันนี้เรายังต้องอธิษฐานอยู่อธิษฐานเนี่ยโดยไม่ได้ทำบุญเราก็อธิษฐานเพราะด้วยกุศลจิตความใยรู้ใยความถูกต้องของเราที่มีอยู่เนี่ยอธิษฐานเหมอว่าว่าขอให้เราเนี่ยได้มีปัญญาวินิจฉัยรู้ เข้าใจสิ่งที่ใครตะใครแสแดงออกมาขัดแย้งไว้เหมือนกันแล้วอันใดเป็นความถูกต้องเป็นความจริงขอให้เราได้เข้าถึงความจริงกันนั้นนี่อธิษฐานได้ลอยก็ได้หรือเวลาที่เราทำบุญทำกุศลถ้าสมมติว่าปัญหานี้มันหนักหนานะักเช่นในเรื่องปฏิบัติเรื่องอะไรแต่ไรเนี่ยนะโอ้เราไม่รู้จะจับมือใครโดมงเพราะแต่ละคนก็ฟังเหตุผลคนอื่นก็ชวนวุ่นอย่างนั้น เราก็เนี่ยต้องเอาพึ่งอย่างเนี้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างพุทพระพุทธะคุณมาธรรมคุณบุญบา ร, รมีที่เราทําบ้างขอให้เรามีปัญญาวินิจฉัยรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นคําสอนที่ถูกต้องอะไรเป็นคําสอนที่ถูกถูกแค่ไหนปีแค่ไหนขอให้เราเกิดวิจนะญาณทีถ่ถูกต้องถูกต้องยังไงเราไม่ต้องเอามาตั้งบอกตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอคติใช่ไหม เพราะอันนี้ครับเป็นเรื่องที่เราได้พึ่งอันนี้แล้วเราพบความอุ่นใจเป็นอย่างมากอันหนึ่งก็คือใจแล้วจะเป็นกลางไม่อคติกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เกิดความเป็นกลางยอมรับแล้วก็เรารู้สึกว่ายิ่งนานวัน่วงการผ่านเ ว, เวลามากขึ้นเนี่ยเรามีดุลพินิษ ด, ดียิ่งยิ่งขึ้นอย่างน่าประหลาด แล้วเราจะไม่ไปผูกพันใครเลยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราหรือเป็นใครคนอื่นบางคนเป็นคนอื่นเราก็ว่า ด, ดีเห็นอ่อนนี่เป็นสิ่งดีเกิดดุลพินิษความเจริญแตกฉานก้าวหน้าในทางสติปัญญานั้นเรารู้สึกว่าเรามีความเป็นตัวของตัวเองดีขึ้นและเราก็ยังอธิษฐานไม่หยุดครับเรายังระแวงกันอยู่ละแวงตัวเองอยู่นะเราขอให้เราเจริญในสติปัญญามากยิ่งยิ่งขึ้น อันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ประคุณผมได้ประโยชน์ผมผมยืนยันว่างนนะั้นได้ประโยชน์กับการอธิษฐานอย่างนี้แม้แต่บางเรื่องที่เราไม่แน่ใจอธิษฐานไม่ช่วยเราได้สมมติว่าเราเริ่มจังตั้งแต่ศูนย์เลยว่าชีวิตเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะเรายังไม่รู้ไม่รู้ว่าชีวิตเราควรจะเป็นยังไง รู้หน้าตัวเองในกระจกเข้าไม่รู้ไอ้นาอย่างเรานี่ควรจะเป็นอะไรควรจะทําอาชีพอะไรนะใครควรจะเป็นคู่ครองของเราอะไรอย่างงี้นะไม่ให้อื่นๆจะตามที่เรายังไม่รู้เลยเนี่ยเราอาธิฐานได้อธิฐานให้บุญเนี่ยเป็นตัวจัดแจงบุญไปประสองค์อธิษฐานเนี่ยจัดแจงว่าเรานี่ควรจะทําอะไรถ้า อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เราควรจะทำขอให้เราจงไปทำอาชีพนี้แต่ถ้าเราไม่สมควรที่จะเจริญก้าวหน้าไม่มีบุญวาตนา้ําไม่มีบุประเหตุในอาชีพนี้ขอให้เราจงได้พบอาชีพที่เป็นสะะัพยาเหมาะสมกับเราเราก็อธิษฐานเดี๋ยวบุญก็จะชักนาเราไปเองครับชักนาเราไปเอง ที่เดี๋ยวนี้เห็นมีพูดติดปากว่าธรรมะจาดสรรนั่นแหละธรรมะจาดสรรเราอาจจะพูดไปโดยที่นมาดนอดีฐานหรือมันเป็นไปโดยพลังของบุญกุศลที่มันแฝงเจตนาอันใดอันหนึ่งไว้แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะมีความอิดเบี้ยในอาชีพที่ตัวเองทําก็ได้แล้วก็บางคนเนี่ยผมบอกว่าไอ้ตอนที่เขาจะวิ่งเต้นเลื่อนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเลื่อนหน้าที่อะไรกันเนี่ยบอกว่าคุณไม่ต้องไปวิ่งกับคนอื่นแล้ววิ่งกับตัวเองเลย วิ่งกับตัวเองวิ่งคนอื่นมืนอมกนกัวิ่งกับเจ้านายวิ่งกับคนนั้นคนนี้วิ่งกับตัวเองดีที่สุดครับทําบุญเข้าไปเถอะอดีฐานเข้าไปเถอะแล้วมันจะเกิดความพอดีพอดีเราไม่โลภด้วยอย่างเช่นว่าถ้าตําแหน่งนี้ไอ่าหน้าที่นี้ความรับผิดชอบนี้ยศนี้สมควรแก่เราขอให้เราได้แต่ถ้ามีคนที่เขาสมควรจะได้ ขอให้เขาได้เราอย่าไปได้ก็ เ, เดือดร้อนอย่าให้คนที่เขาควรจะเจริญก้าวหน้ามีคะแนนสูงกว่าเราต้องเสียหายอันนี้เราจะเกิดความไม่กล้าไม่ไปแย่งใครอันนี้อธิฐานไว้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นไปได้ยิ่งทําบุญดีๆทําบุญทุกสูงอย่างที่ผมว่าหรือทําบุญก็ครบแล้ก็รับรองเลยฮะไม่มีใครขวางทางได้ไม่มีใครขวางทางได้ไ ในผมแลบางคนผมแนะนําว่าใครที่มีมีที่ดินแล้วคนอื่นเขาขวางทางนะพูดกันไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปพูดแล้วครับพผมแนะนำบอกคุณไปเนี่ยหนึ่งไปซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าแจกเด็กเด็กหรือใครก็ได้ที่ไม่มีรองเท้าใส่นะพวกคนยากคนจนสองเขา ท, ทําอ น, นุนนท์ทางที่ไหนไปหาทําเลยไปล่าเลยไม่จะอยู่ให้ก็มาหา ไม่ลาดอําเลยแล้วก็สามเราพยายามส่งเสริมทางที่เป็นทางอันปริสริ์คือบรรดาทางทั้งหลายนีย่อริยมรรคประกอบ้วยองค์แปดเป็นทางสุทธิ์ที่เขาปฏิบัติธรรมเราไปอำนวยความสะดวกนะไปรับกูบาจา์รับ ล, บลบนะับนะเขาขาดเหลืออะไรเนี่ยเราวิ่งเต้นไปช่วยซื้อไปวิ่งซื้อแล้วอธิษฐาน ออย่างนี้ไม่เป็นความโลภนะถึงจะเป็นบุญลูงแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามาอธิษฐานเพื่อบำบัดปัญหาเฉพาะนาแล้วมาอธิษฐานว่าขอให้ทางสะดวกเนี่ยจงปรากฏเกิดขึ้นแก่เราขออย่าได้มีใครมาปิดถนนทางสัญจรเข้าออกของเราที่นันทีนี้อธิษฐานถ้าทำให้ดีทาทุกวันเดี๋ยวก็ได้เลือกเกิดผลขึ้นมาเอง ปิดไม่ได้ยวต้องมีทางออกอยู่นะเออนี่ที่แนะนําเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงเด็ดนะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแก่หมู่ญาติเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เอาธรรมะไปใช้ผมก็ช่วยแรงด้วยแล้วก็ยุให้ทํากันด้วยวันก็เกิดผลขึ้นมาอย่างนี้อย่างเราดีใจกันคือดีใจในบุญในกุศลที่เราได้ทํา ที่ได้อธิษฐานอย่างนี้นี่เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในในกรณีเจพาะข้างหน้าข้างหน้านะเพราะนั้นอธิษฐานอธิษฐานจิตต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็ม า, ม า, านะมาปรึกษาเรื่องคู่ครองนะมาปรึกษาเรื่องคู่ครอง อ่าคนหนึ่งรวยพ่อแม่ชอบคนหนึ่งไม่รวยแต่ตัวชอบแม้ก็พ่อแม่ก็กล่อมมีเหตุผลอะไรก็อย่างของพ่อแม่ตัวก็มีเหตุผลอย่างตัวดิฉันฉันไม่รู้จะทําไงไม่รู้จะเลือกใครถูกเลยวเราแนะนำยังไงเราก็แนะนําให้ฐานรักษาตีเจรโลโมนา ถ้าก็ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่แนะนำให้เต็มๆนะแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานว่าคนไหนเป็นคนที่เคยเอื้อฟื้อคือกูนกันมาและเมื่อได้ร่วมชีวิตกันแล้วจะเป็นประโยชน์มีความเจริญงอกงามทั้งโดยทางโลกและทางธรรมทางส่วนตัวและ แกบุคคลเอ่ยบางคนเกือกูลกันมาแต่ว่าไม่ควรจะเกือกูลกันต่อไปแล้ว <c oughs> มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเคยเกื้อกูลกันมาจงมากือแต่ว่าเกื้อกูลกันไปแล้วเกื้อกูลกันทาความชั่วไม่ดอันนั้นเราก็อย่าไปเผื่อไปเปิดช่องแล้วพวกนี้ก็อธิษฐานขอเวลาอย่าเพิ่งใบตกปากาารับการตัดสินใจก็อธิษฐานไปนานเอฟหลายเดือนต่อมาบอกว่า หลุดแหละเพราะว่าไอ้ลูกคนที่พ่อแม่เลือกให้มาขับรถไปพี่ความตาิพี่ความตายได้เหลือไอ้คนจนไอ้คนจนก็เลยได้แต่งงานกับคนจนไ ป, ปรีบแต่งเลยเดี๋ยวพ่อแม่ไปเลือกคนอื่น <c oughs> ต้องมาอธิษฐานกันอีกอนี่ก็ปัญหาว่าไอ้ที่เขาตายเนี่ยมันเพราะเราอธิษฐานหรือเปล่าก็ถามว่ากูไปแช่งวก็ตายหรือเล่า บอกไม่ได้แจ้งนะทําใจเป็นกลางเพราะเราเข้าใจอันนี้เราก็ยอมรับว่าทำใจเป็นกลางนะใครก็ได้ทําจะเป็นไปในทางที่สําเร็จตามความมุ่งหมายที่เราได้บอกไว้ในทางอธิษฐานนะอันนี้ก็ต้องพูดว่าบุญกรรมจัดแจงเองนะบุญกรรมจัดแจงเขาเองก็มีบุญกรรมจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็หมายความความจริงเนี่ยถ้าไมาอ่อธิษฐานเขาก็อาจจะต้องตายก็ได้ แต่ว่าเราคงจะต้องเดือดร้อนวุ่นวายหรือไม่อีกทีก็ไปรีบแต่งงานแล้วมาตายหลังจากแต่งงานได้สักเดือนนี้ใช่ไหมมันก็มันจะเกิดปัญหาค่าราคาซั่งบางสิ่งบางอย่างกันเกิดหรือจะดีกันไม่รู้อะพอแต่งงานแล้วก็รีบไปจดทะเบียนนะก่อนไปถูกรถชนตายจะได้จะได้ลมบัตรอะไรอย่างนี้เก็เราก็ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นอกุศล น, นึ่นแะนะอันนั้นอันนี้ก็ ก็ลองดูมันนีไปสอนลูกสอนหลานเราไม่ต้องไปบังคับบังคับคนตนเป็นพ่อแม่นะ่ะไปเที่ยวบังคบบังคับอะไรเนี้ยนะเราก็สั่งสอนเนี่ยให้เขาเอาบุญเอากุศลเป็นที่พึ่งเพราะเขาจะมาเอาตามเราไม่ได้บางทีไอ้เงื่อนไขของเราอะไรบางทีเราอ่านข้างนอกมันดูดีแต่เหตุผลสายสนกลไนเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่มันเป็นเรื่องที่มองไม่ออกให้เขาเนี่ยอธิษฐานเขาเอา อธิษฐานทำบุญนั่งอธิษฐานเอและบางคนถ้าอาจจะไม่ต้องมีคู่ครองก็อธิษฐานนองถ้าแต่งแล้วไม่ดีก็ไม่ต้องแต่งนะไปอยู่ไปเงี้ยดีแล้วจเจริญในทางดีแต่งแล้วอาจจะเสียก็ได้ถ้าเรับบางคน น, นก็อยู่โสดพวกเนี้ยสําเร็จตามอาธิษฐานเนี้ยที่บางคนก็แม่แต่มีลูกอะ อันนี้เราเราไม่มีเวลาพอที่จะพูดเลยไปถึงขนนั้นนะแต่เยวก็พูดสัก น, นิดหน่อยว่าอันนี้เป็นเป็นเคล็ดทางศาสน า, านะว่ามีใครมีลูกมีเต้าก็ไปสอนลูกสอนหลานได้อธิษฐานเนี่เป็นตัวเลือกที่แปลกจริงๆครัว่าใครที่ต้องการจะได้ลูกดี โดยมากแล้วก็โดยปริยายต้องการลูกดีลูกแข็งแรงโดยมากก็แล้วก็อ่าทํากันได้แค่ทางร่างกายในความคิดของหมอปัจจุบันแต่ในทางธรรมะเนี่ยทําบุญอุทิศไปให้ใครก็ได้เราไม่เห็นตัวไม่ต้องเห็นตัวนะทําไว้ล่วงหน้านานๆเลยอย่าไปทําปุ๊บแล้วก็มาลงภูงนี้ ท, ทําละอธิษฐานเนี่ย ไปให้แก่ผู้ที่เรากําหนดคุณสมบัติว่าจะคุณสมบัติทางไหนทางศาสนาทางโลกหรือทางทางโลกกอยากจะได้ลูกสักคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์เกื้อกูลแกพระศาสนาแก่ประเทศชาติแต่สมมติว่าเราว่ากว้างๆนี้นะหรือถ้าเป็นหัวปฏิบัติก็อยากจะได้ลูกสักคนที่ เก่งมีบารมีในทางปฏิบัติมาเกิดแล้วก็มาเผยแพร่เรื่องการปฏิบัติแล้วก็อธิษฐานเอาเสร็จแล้วเราก็ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลคือสร้างภูมิรองรับอุทิศไปให้แก่ใครก็ไม่รู้เขาอาจจะเคยเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นคนอื่นก็ตามว่าเนี่ยเราทําบุญอุทิศให้ขอให้บุคคลผู้มีบุญญาธิการอย่างนั้นอย่างนี้จงได้รับทราบจงได้รับเอา และเต็มใจจะมามาเกิดเป็นลูกเราขอให้ได้รับและขอเชิญมาเกิดเป็นลูกเพื่อวัตถุประสงค์ในทางดีงามอย่างนั้นอย่างนี้ทำบูธิดให้เชิญเข้ามาเกิดเนี่ยทํำบ่อยๆเชิญบ่อยๆเชิญทุกวันจนกว่าเขาจะลงมาเกิดและจะได้ลูกดีโดยมากเนี่ยมันจะเป็นไปโดยบริยาย ที่ที่ที่เราก็ะพฤติกันอยู่นะเป็นบริยวปริยายหนมะายความว่าพ่อแม่มีศีลมีธรรมเพื่อเป็นเชื้อมีลูกติดมาแต่เป็นบริเวณปริยายเนี่ยบางทีมันมันมีดีไม่ดีมาปนฮะเพราะว่าคนเรานี่มีทั้งบุญทั้งบาปมีพ่อแม่บางคนเนี่ยมาพ่อแม่ไม่เข้าวัดถ้าพ่อไม่เข้าวัดแม่เข้าวัดบางคนอตอนเบื้องต้นชีวิตนะี่ยทำบาปเยอะแล้วเพิ่งมาเข้าวัดดีหลังสุขสุขดี นี่พอลูกมาเกิดเนี่ยไอ้ลูกคนไหนมาเพราะบาปของตัวก็เป็นลูกชั่วคนไหนมาเพราะบุญตัวก็เป็นลูกดีถึงบางคนมีลูกดีบางมีลูกชั่วบางปนกันเป็นเพราะพื้นฐานบุรแต่ถ้าอธาิษฐานแล้วก็เราห้ามเลยบอกว่าด้วยกุศลผลบุญที่เขาไเจะได้ทำนี้ห้ามคนชั่วมาเกิดคนชั่วไม่เอา อธิษฐานห้ามเลยนี่ถ้าเอาอย่างฤกษสีสมัยก่อนก็เอามือลูกทองในชาดกเอามือลูกทองภรรยาเนี่ยบอนีนี่นนมือบุญนะห้ามใครช่วยอยาะเข้าทองนี้ใครผีบุญมาเข้าทองนี้แล้วก็จะได้ลูกดีนี่ที่ถ้าเราจะไปเกิดเป็นลูกเป็นลูกคนอื่น ให้เราก็ไม่รู้ว่าเราเลือกหรือเปล่าเนี่ยและถ้าพูดถึงเดี๋ยวนี้เราเคยเลือกไหมว่าเราจะไปเกิดเป็นลูกพ่อแม่ที่มีคุณสมบัติอย่างไงผมยังผมยังไม่ได้เลือกนะเนี่ยยั <c oughs> ไม่ได้ไปฝากว่าพ่อแม่ยังไมได้เลือกปุถุนชนญาตินี่นะแต่ท่านเลือกอยังบรรดาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเขียนเราตำราเนี่ย เราเลือกต้องการจะไปเกิดอย่างพระพุทธเจา้านี่ก็ถือว่าเลือกเลือกก่อนจะลงมาเกิดว่าต้องการได้พ่อแม่ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ยิงแล้วด้วยคุณสมบัติไม่ใช่อย่างนี้ไม่เอาพ่อแม่ชั่วไม่เอาทีนี้บางคนเขาเน่ะไม่ไม่ไม่ไมเกี่ยมคือเขาต้องการจะเป็นที่พึ่งของคนอื่น เขาก็คิดว่าเขาไปเกิดใน่าำกลางคนชั่วขอให้เขาเป็นคนดีและได้ปฏิวัติใจของคนในที่นะั้นอันนี้เป็นเรื่องของความกรุณาแต่ถ้าเรื่องของความศรัทธาก็เลือกแบบต้องการจะได้พ่อแม่ดีๆแล้วก็เรื่องของเหตุผลในส่วนอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านเลือกเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านกลัวว่าท่านจะไปเสียคนเพราะไปได้พ่อแม่ไม่ดีแต่ท่านต้องการจะ สร้างพื้นฐานให้คนยอมรับในสังคมอินเดียอินเดียนี่ก็ถือเรื่องนี้ท่านก็ต้องการสร้างพื้นฐานเกิดมาเป็นลูกของคนที่มีสายเลือดบริสุทธิ์เจ็ดชั่วโคตยอมรับเลยทั้งอตตนไม่ลังเกียจเพราะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นลูกของคนจันทานเนี่ยถึงจะเฉะลียวฉลาดางไงนี่อินเดียนี่ไม่ขึ้น่ขึ้นยากมากแทนที่จะแก้ปัญหาปลอกเดียวก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาละสองปลอก ส, สาปลอกแม้เดี๋ยวนี้ก็เถอะ จบด็อกเตอร์มาทั้งสามบริญญาไปรับราชการอยู่ในอินเดียยังถูกังเกตเลยปลูกสมองสมียนังเกลีไปไหนก็ลาบากนะอัน น, นี้เป็นเป็นส่วนของการอาธิษฐานที่เราใช้ได้ลองผมก็อยากจะฝากให้ไปวิสูรด้วยนะก็แนะนำมอกรสองคนก็ดูได้ผลดี แต่ยังไม่ได้วิจัยชัดเจนมีแต่เรื่องในตำํำราบางคนก็ตัวเองสายไปแล้วก็แนะนําลูกหลานต่อไปนะให้ลองทําอย่างนี้งั้เรื่องเรื่องการมีบุต ร, รนี่อย่าไปมีโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจเพียงแค่มีแล้วไม่ได้เลือกแล้วเลือกเนี่ยก็อย่าพึ่งใจร้อนปูพื้นฐานไว้ให้ดี อย่างคู่บ่าวสาวเวลาจะแต่งงานกันอะไรเ่นีะถ้าเข้าใจธรรมะเนี่ยสร้างพื้นฐานไว้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานเลยตั้งแต่รักกันเลยเวลามีลูกแต่งงานแล้วมีลูกคุณจะได้ได้คนดีมาเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติีมีอยู่ไลายฮะก็ฟังไว้เล่นเล่นอ่าเขาก็อยากได้ลูกดีตามที่แนะนำเนี่ยแล้วก็มีการ ไปติดต่ออะไรกันด้วยแม้แต่ว่าคนที่จะเอามาเป็นลูกสูงส่งเหลือเกินท่านบอกว่าไม่พอหรอกบุญไม่ถึงหรือแค่นี้ไม่พอจะเอาท่านมาเป็นลูกสูงส่งเกินไปนะนี่ก็เป็นเรื่องที่รำน้องาติดต่อกันกับผู้ที่ตายไปแล้ว แต่ท่านก็พูดกระถามว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมันก็เป็นไปได้จริงๆและควรทําเป็นไปได้จริงๆและเป็นสิ่งควรทําแต่ว่าจะเอาท่านมาเป็นลูกเนี่ย <c ười> เกินไปบาเกินไป <c ười> มันปุปปับบุญคือบุญนี่ถ้าทําปุปปับปุปปับถึงจะดูมากก็ก็ไม่มาพอสำหรับคนบางคนนะอย่างคนจะเป็นแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ทําแค่ชาตินะ ไม้ทํามาตั้งแต่เด็กก็ไม่พอต้องทํามาหลายชาติแล้วถึงจะเพียงบอกระหวเป็นความาเกี่ยวข้องอะไรกันมานานแล้วนะไม่ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ต้องเกี่ยวกับอดีตของอธิษฐานในด้วยเเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้เราเราก็พอใจเห็นว่าเป็นเรื่องกวางและเป็นประโยชน์มาก เราน่าจะเขียนคำอธิษฐานแบบต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสาระที่เราเลือกแล้วว่าในชีวิตเราเนี่ยควรจะเป็นอะไรเลือกมาจากธรรมะเนี่ยแล้วเราก็เอาคำอธิษฐานนั้นไปอธิษฐานเพื่อให้ตัวเราเป็นเมื่อเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยชีวิตเราควรจะเป็นยังไงและเราควรจะไปไหนไอ้ที่มันเป็นเรื่องจุดหมายปลายทางเฉพาะตัวคนเนี่ยอันนี้ต้องเลือกเอา แต่อยากจะเป็นนางวิสาขานะี่ยก็เอาไปเป็นเรื่องของตัวตัว่ะเป็นอย่างคนอื่นก็แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่อนะนี้ก็คงจะพูดกันเท่านี้องศาทุชนที่เคารพแล้ผมได้เรียนไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าการอธิษฐานจิตนั้นมีอยู่สามจำพวกหรือสามประเภทด้วยกันอธิษฐานจิต อย่างแรกนั้นเป็นการอธิษฐานเฉพาะกรณีรือเฉพาะหน้าซู่หมายความว่าเมื่อเรามีความประสงค์ในกิจอันใดที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็อธิษฐานให้ถึงความสาเร็จหรือให้บรรลุความสาเร็จในกิจเฉพาะหน้านั้นออย่างที่สองนั้นเป็นการอธิษฐานในลักษณะที่เอ่อเป็นอย่างที่เรียกว่ากว้างไกลคืออธิษฐาน เป็นส่วนหลักของชีวิตซึ่งก็หมายความว่าไม่ใช่เป็นการอธิษฐานเฉพาะหน้าแต่ว่าการอธิษฐานอย่างนี้จะต้องมีการอธิษฐานอยู่เป็นปกติอธิษฐานบ่อยๆในโอกาสที่เหมาะสมและอธิษฐานอย่างหลังนั้นหมายถึงการอธิษฐานที่เป็นอุดมคติสูงสุดที่เราต้องการจะให้ชีวิตของเราเป็นไปหรือเข้าถึงอย่างที่เราอธิษฐานว่านิพานาปเจยโยโหตุอันนี้ถือว่าเป็น อที่ไปอันสูงสุดหรือที่ปรารถนาสูงสุดที่เราไม่ได้รีบเรึงว่าจะต้องได้วันนี้ได้พรุ่งนี้หรือได้ชาติหน้าจะได้เมื่อไหร่ก็ตามเราก็อธิษฐานกันอยู่ในหมู่ของชาวพุทธแล้วก็อธิษฐานอปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอัหรส า, าวกหรือเอแม้แต่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการอธิษฐานในส่วนที่เป็นอุดมกติ อที่ผมจะนําเอามากล่าวพูดถึงเป็นส่วนหลักในวันนี้คือการอธิษฐานหรือคําอธิษฐานที่เราจะต้องใช้เป็นส่วนสําคัญซึ่งไม่ได้หมายถึงการอธิษฐานเอานิ้ผานไม่ได้หมายถึงการอธิษฐานเอาเฉพาะเอความสําเร็จบางอย่างเฉพาะตัวอย่างการเป็นอัครส า, าวกซ้ายขวาหรือเป็น อาสีติมหาสาวกหรือเป็นพระเจ้าจกักรพรรดิหรือเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเป็นเรื่องเฉพาะกรณีบุคคลแต่ว่าที่จะกล่าวเป็นส่วนหลักตรงนี้หมายถึงสิ่งที่ทุกคนน่าจะปรารถนาที่ทุกคนน่าจะต้องการที่ทุกคนควรจะอธิษฐานคือการอาธิษฐานที่ผมได้ จัดรีบเรียงขึ้นวันนี้ขออภัยพิมพไม่เสร็จพิมพไม่ได้สามในห้าก็เลยเลยไม่ได้ถ่ายอกอกสารมาแจกกันแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผมจะอ่านหนังหมุดแล้วจะอธิบายแต่ละตอนแต่ละตอนแล้วก็เมื่อเปิดเทอมใหม่ก็คงจะเอามาแจกกันนะการอธิษฐานนั้นจะต้อง มีที่อ้างคือมีที่ตั้งนาพุธเพราะว่าการอธิษฐานะไม่ได้หมายถึงการตั้งเป้าหมายอย่างเดียวแต่มุ่งให้เกิดความสําเร็จด้วยแล้ความสําเร็จของความตั้งใจความปรารถนานั้นถ้าไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ที่ตั้งที่อ้างดี่อิงนะความสําเร็จนั้นเอาแน่ไม่ได้เอาแน่ไม่ได้อ่าถ้าเราปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็สักแต่ว่าปรารถนาโดยไม่ทําเหตุหรือไม่สร้างฐานสร้างฐานที่เรียกว่าเอามาต่อกันว่าดีฐานเนี่ยความสําเร็จนั้นไม่เกิดนั้นอย่างที่เรียนว่าการอธิษฐานอย่างเราทํากระลังเนี่ยเราอธิษฐานจนอธิษฐานเพื่อใ ห, ให้ให้ให้ตัวเราเนี่ยถึงเหตุด้วยพออธิษฐานนานเข้านานเข้าเราก็จะเป็นผู้ที่สร้างเหตุนั้นในภายหลังแต่ทางศาสนานั้น สอนให้ทำเหตุให้ทาเหตุก่อนเลยหรือทำเหตุไปด้วยเลยแล้วก็ตั้งใจไปบนเหตุนั้นนั้นเหตุที่จะนาเอามาอ้างเป็นฐานรองรับของความปรารถนาที่เรียกวัดิษฐานนั้นมีหลายส่วนแต่อย่างย่อที่สุดนั้นมีสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งอ้างบุญ อ้างบุญหมายถึงบุญที่ทำทุกอย่างความดีที่ทำทุกอย่างอ้างเอามาเป็นที่รองรับการอธิษฐานจิตและทาให้เกิดความสาเร็จได้เร็วบ้างช้าบ้างแต่รับรองว่าทำให้เกิดความสาเร็จแน่อย่างเหลือเชื่อและอรศจรรย์ อ, อย่างที่สองนั้นอธิษฐานคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นกำหนดตั้งแต่พระพุธทธธรรมประสงค์ เทวดาครูบาอาจารย์พ่อแม่สิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อาจจะอ้างเอาท่านโดยตรงอ้างคุณหรือ อ, อ้างกับตูชนิยสถานรูปอะไรก็ได้นะครับที่เชื่อมโยงไปถึงท่านเหล่านั้นความสำเร็จอาจเกิดได้แต่ว่าอย่างหลังนั้นทางศาสนาไม่ได้ถือว่าดีกว่าอย่างแรก ไม่มีอะไรศักสิทธาบุญฮะบุญเนี่ยแม้ทำโดยไม่อธิษฐานแบบซึ่งซึ่งนานก็ได้อา น, นิสงส์อยู่แล้วแต่ถ้าเพิ่มคำอธิษฐานลงไปทำให้บุญนั้นมีความชัดเจนในการให้ผลหรือยักเยื้องนงยะอาทิษทางของการให้ผลไปตามแรงอธิษฐานของเราได้นเวลาที่เราจะอ้างเป็นคำคำเนี่ย ก็มีวิธีการนะผมสมจะอ่านให้ฟังและอธิบายไปโดยลาดับนะอันนี้พูดถึงที่อ้างในการอธิษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญญกิริยาที่ข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วแต่เราจะพูดคนเดียวดุจของสิ่งศักดิก์สิทธิ์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 ทางศาสนาไม่ได้ถือว่าดีกว่าอย่างแรกไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่าบุญนะบุญเนี่ยแม้ทำโดยไม่อธิษฐานแบบซึ่งซึ่ ง, งนาก็ได้อานิสงส์อยู่แล้วแต่ถ้าเพิ่มคำอธิษฐานลงไปทำให้บุญนั้นมีความชัดเจนในการให้ผลหรือยักยืงในยะตอทิศทางของการให้ผลไปตามแรงอธิษฐานของเราได้ ในเวลาที่เราจะอ้างเป็นคำคำเนี่ยก็มีวิธีการนะผมสมจะอ่านให้ฟังและอธิบายไปโดยลำดับนะอันนี้พูดถึงที่อ้างในการอธิษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญญากริยาที่ข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วแต่เราจะพูดคนเดียวโดยพูดในที่ประชุมจกได้บำเพ็ญในบัดนี้คือ ทานนามัยกุศลนี่นี่ยกตัวอย่างถึงเราเป็นทานผมผมอ่านให้ครบทั้งหมดก่อนนะแรงอธิษฐานของเราได้เวลาที่เราจะอ้างเป็นคำคำเนี่ยก็มีวิธีการนะผมผงจะอ่านให้ฟังและอธิบายไปโดยลำดับนะอันนี้พูดถึงที่อ้างในการอาธิษฐาน ด้วยอำนาจแห่งบุญญกิริยาที่ข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วแต่เราจะพูดคนเดียวหรือพูดในที่ประชุมจะได้บำเพ็ญในบัดนี้คือทานนามัยกุศลนี้นี่ยกตัวอย่างถึงเราเป็นทานผมผมอ่านให้ครบทั้งหมดก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายถึงเป็นข้อสังเกตเป็นส่สวนๆไป ด้วยอำนาจแทนบุญกิยาที่กระป์เจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วในบัดนี้คือธรรมะสวรรค์ใหม่และธรรมะเทศนาใหม่นี้แต่ท่านฟังแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะด้วยอำนาจบุญกิยาที่กระป์เจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดการอันยาวนานคือบุญกิยาวัตถุสิบ ได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอปิจายนะใหม่กุศลอวยาวัฏ จ, จะไม่กุศลปฏิทานกุศลปัตตนุโมตนาทานไม่กุศลธรรมเทศนาหม่กุศลธรรมสวรนาม่กุศลและทิฏฐุชุกกลับอ่านี่เป็นส่วนของบุญเราจะเห็นว่าที่ที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยถ้าหากว่าท่านสังเกตก็จะเห็นว่า มีทั้งบุญที่เราจะทำอยู่เดี๋ยวนั้นคือเป็นอดีตใกล้ปัจจุบันอาแล้วขณะที่กล่าวว่าจาักได้บาเพ็ญในบัดนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เราจบจบของเวลาใส่บาทหรือเวลาทำทานถ้าเป็นการให้ทานหรือถ้าเป็นการสมาทานศีลก็หมายถึงการกำลังจะเริ่มกระทำหรือการไปปฏิบัติธรรม ก็อธิษฐานก่อนอย่างที่อาจารย์วิปัสนาท่านมักจะสอนกันอย่างนี้นะเป็นการอธิษฐานเป็นลักษณะของบุพเพเจตนาเชื่อมมาถึงมุนจนะเจตนาหมายถึงเจตนาก่อนทำแต่ไม่ใช่ก่อนนานนะก่อนนานเช่นก่อนเป็นเดือนก่อนเป็นปีนานๆานไปอนุภาพน้อยมันเลยกลายเป็นอธิษฐานจะทาบุญและทั้งอธิษฐานเอาบารมีของบุญ เราอยู่ในกายอธิษฐานบางคููไม่รู้ว่าใครเป็นฐานอธิษฐานนั่นเลยไม่มีฐานคือบางคนค่อธิษฐานนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทําบุญสมใจอยากทุกๆชาติปรารถนาจะทําทานมีตถาคตเกิดขึ้นแก่ผูดด้ใดที่ใดเมื่อใดขอให้ได้ทําอย่างเต็มที่เต็มตามปรารถนาตามต้องการเนี่ยอธิษฐานแต่ถามว่าทำํำหรือยั ง, ย ง, ยงไม่ยังยังไม่เระหกฮ่มอธิษฐานรอเมื่อไหร่จะรอน้๊อสิ แม้แต่จะทาก็อย่างอธิษฐานวันถ้าอธิษฐานตอนนี้ก็ถามว่าแล้วเอาอะไรมาเป็นที่ตั้งในการอธิษฐานมงคลเขาบอกว่าเอาความปรารถนาดีนั่นแหละเอาบุพเพเจตนาที่เป็นกุศลก่อนกระทานั่นแหละมาอธิษฐานเอาก็พอได้เหมือนกันแต่อย่างนี้อนุภาพไม่มากอันนี้คือลักษณะของการจบที่เราอ้างเฉพาะบุญเดียวนะ ว่าบุญที่เราจัดทําในบัดเนี้ยเป็นบุญเดียวหรือสองบุญไม่ไม่มากหรอกบางทีก็อย่างเดียวบางทีสองอย่างเราเราก็ต้องสังเกต ด, ดูนะฮะว่าบุญที่จัดทาในบัดนี้คืออะไรที่จะทําในบัดเนี้ยเราก็ต้องนึกถึงตัวบุญด้วยให้ชัดเจนในใจ <c oughs> อันนี้กรณีหนึ่งอีนนกกรณีหนึ่งก็คือบุญที่ ทำแล้วในบัดนี้อันนี้หมายถึงการอ้างถึงบุญกุศลที่กระทำสำเร็จแล้วเป็นอดีตใกล้ปัจจุบันก็จะว่าเป็นปัจจุบันก็พอได้แต่ทำเสร็จแล้วเป็นอภระเจตนาเราก็อ้างก็อย่างที่เราทำบุญกันแล้วเราอธิษฐานอธิษฐานตามหลังอีกครั้งหนึ่ง ว่าขอให้บุญกุศลที่ได้บําเพ็ญแล้วในบัดนี้จงเป็นปลวัตปัจจัยหรือก่อให้เกิดความสําเร็จถ้าเป็นความสำเร็จเฉพาะกรณีก็เป็นเรื่องหนึ่งเราก็พุ่งคำอธิษฐานไปที่นั่นถ้าเป็นความสําเร็จอ่าเป็นมุ่งความสําเร็จที่เป็นส่วนหลักอ่าที่เราจะอธิษฐานตามโอกาสที่เราจะพูดที่หลังอีกทีแต่หลังจะพูดถึงหน้านี่แล้วเนี่ยเราก็อธิษฐานกํากับ ใส่ลงไปให้หมดอาจจะมียอ่อบางขยายบ้างตามโอกาสนั่นก็แล้วแต่นั้นอย่างที่เรา <c oughs> มาบฟังธรรมกันเนี่ยเวลาเราชวนกันอธิษฐานเราก็จะบอกว่าด้วยอำนาจแห่งบุญยศริยาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายหรือพวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วในบัดนี้คือธรรมะสวนะใหม่การฟังธรรม ธรรมเทศนาใหม่การแสดงธรรมพูดผมก็พูดแสดงท่านก็ฟังใช่ไหมแต่บางทีก็อนุโลมว่าท่านแสดงด้วยถามว่าแสดงยังไงก็อย่างที่ท่านบอกว่าเราสนับสนุนให้มีการแสดงธรรมก็ถือว่าเป็นผู้แสดงด้วยนะแม้จะไม่ได้เทศเองก็ตามเอาหนังสือธรรมะมาแจาก เขาเทพธรรมะไปเขาฟังหรือลงขันสนับสนุนให้มีการเอจัดกจิจกรรมนี้ขึ้นในที่ใดที่หนึ่งก็ตามไม่ใช่เฉพาะที่นี้ก็ท่านท่านพูดเลยบอกว่าผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้แสดงธรรมด้วยเป็นผู้ให้ทําเป็นฐานด้วยและเป็นผู้ที่ฟังธรรมด้วยเราก็อ้างอ้างสิ่งที่ทําไปแล้วอธิษฐานกันอย่างตอนทา้ายรายการแค่นี้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เราได้อ้างบุญเก่าที่ทำนานแล้วเราเ็าสงสัยว่าโอ้ยบุญทำตั้งนานแล้วไม่บูดหมดแล้วเลยแล้วจังจะเอามาอ้างมาใช้กันอีกบางคนก็บองโอ้ยนี่เอาเปรียบปลีดลีดนึก <c oughs> กับบุญจนเกินไปดูสิทำผลเดียวแต่อ้างแล้วอ้างอีกเอาแล้วเอาอีกเอ่อตรงนี้นะ ในหลักทางศาสนานั้นไม่ถือเป็นเรื่องรีดนาทาเลนแล้วไม่ถือเป็นเรื่องเสียแต่นี้เป็นเรื่องแปลกอะถ้าบาปนี่ถือว่าถ้าคิดบ่อยๆทวงบ่อยๆปลารบบ่อยๆเสียแต่บุญน่ควรคิดบ่อยๆทั้งบุญที่จะทำในอนาคตบุญที่กาลังทาแล้วบุญที่อดีตทาไปแล้วควรคิดบ่อยๆปลารบบ่อยๆอ้างถึงบ่อยๆ ไม่ได้ทำให้เสียหายแก่ใครเลยแต่กลับเป็นการเพิ่มกําลังของบุญทำให้เจตนาในการทำบุญนั้นครบสามการเราก็เคยได้ยินว่าเจตนาในการทำบุญมันแบ่งเป็นสี่โดยย่อมีสามคือบุพภาเจตนามุญจนะเจตนาก่อนทาขณะทำ น, นะแล้วก็อัประเจตนา หลังจากทำใหม่ๆแล้วก็เติมอภิราภระเจตนาหลังจากที่ทำนานแล้วที่นี่บุญที่เราทำนานแล้วเนี่ยถามว่ากาหนดตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆนะกาหนดตั้งแต่อบุญที่ถัดจากที่เราทำในวันนี้เลยไป เลยไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราจําไม่ได้เราก็สงสัยว่าบุญที่เราจําได้เน่ะก็พอพอไม่แปลกนะว่าเราได้เคยทอดกรตินทอดตอป่าบวชเป็นปลาเป็นเนนหรือบวชขึนอยู่ที่เป็นปลาเป็นเนนเมื่อหลายปีแล้วก็ยังจําได้แต่บุญบางอย่างเนี่ยเราลืมไปแล้วเอบุญชาติก่อนนี่ยิ่งจําไม่ได้สักอย่างนี่ลืมหมดเลย อย่างนี้แล้จะเอามาอ้างได้หรือบอกอ้างได้บอกอ้างได้นะอันนี้ถือเป็นเป็นสัจจะอันหนึง่งและเป็นข้อที่จริงอันหนึ่งว่าเราเนี่ยเราเข้าใจในทางหลักการเราละลึกไม่ได้แต่ว่าเรายอมรับในทางหลักการว่าเมื่อการเวียนว่ายได้เกิดมีเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่แสดงว่าเราได้ทำบุญอะไรมางนั้นในข้อของบุญที่เป็นอัปปะเจตนาหรือบุญเก่านั้น จึงถึงว่าเราได้ทำครบหมดบุญกิยาวัตถุสิทธนะิะทุกคนทำครบหมดจริงไหมบางทีก็ชาตินี้ครบหมดอ่ะเราลองไล่ดูนะครับว่าบุญกิยาวัตถุสิทิที่เราได้ทำครบหมดนั้นจริงหรือไม่ใครไม่ได้ทำบุญกิยาข้อไหนไว้ในชาตินี้เรุณายกมือด้วยคือนหนึ่งทา น, นกุศล มีใครไม่เคยทำทานไหมครับไม่มีศีลละกุศลทานกุศลเนี่ยที่ให้อวัยวะให้อย่างบริจาคเลือด ก, ก็ยังเคยใช่ไหมแต่บริจาคชีวิตรับรองไม่มีใครไม่มีใครในชาตินี้นะชาติก่อนอาจจะเคยศีลละกุศลมีทุกคนภาวนากุศล ผมพูดแทนทุกคนได้ ว, ว่าทุกคนได้บําเพ็ญภาวนาอุศลมาแล้วทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่าใครเคยไปปฏิบัติวิปัสนาไปปฏิบัติสมาธิปีไหนบ้างอาจจะไม่มีคนยกมือแต่ถ้าถามว่ามีใครไม่เคยสวดมนต์บ้างมีไหมมีใครไม่เคยสวดมนต์บ้างที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่มีรับรองไม่มีแล้วไม่ใช่ไม่มี เลยครั้งเดียวก็มากกว่านั้นสองครั้งก็มากกว่านั้นก่อนที่เราจะฟังทำเราสวดแล้วใช่ไม่ใช่เป็นแต่จะ ว, ว่าท่านทีมาที่หลังอาจจะไม่ได้สวดอย่างนี้สองข้าเป็นมาวนาที่เราได้ทําแล้วอปัจจายนาคือความประพฤตินอบน้อมความประพฤตินอบน้อมเช่นไหวประพุติประทมประสงค์หรือทำความเคารพกันเองไหวพ่อไหวแม่เป็นบุญทั้งนั้นเอ่อเวลาที่ เราไปพูดให้พวกทหารตำรวจฟังเนี่ยผมจะยกข้อนี้มาพูดให้เขาชื่นใจก็อย่าดูถูกนะทาความเคารพคนตะเบะเนี่ยได้บุญนะเข า, าเคารได้บุญนะอย่าไปทาเวลาเราะตะตะเบะกันผู้ใหญ่รับตะเบะผู้น้อยผู้น้อยตะเบะผู้ใหญ่ก่อนจะต้องทำความรู้สึกอ่อนน้อมอย่าทำไปเพราะทมเนียมประเพณีจะไม่ได้บุญก็เสียแรงเปล่า ยกมือไหวหรือทำท่าก็ลกโดยไม่มีเจตนาที่เป็นบุญเนี่ยไม่คุ้มค่าต้องทาให้คุ้มค่าเราก็จะได้บุญด้วยอันนี้เราทำกันอยู่เสมอบุญร <c> อ <oughs> บๆบตัวแล้วก็เ ว, ยวียวัจจัยหม่ความประพฤติประโยชน์ช่วยเหลือบุคคลอื่นอันนี้เราทำกันอยู่เป็นประจำ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเช่นทำเนียมการลงแขกเป็นเ ว, ยวียวัจจัยไหม เขาบวชเราไปช่วยโคลกน้ำพริกไปช่วยเสิร์ฟอาหารแข่แขกที่มาในงานเป็นบุญทั้งนั้นเป็นกุศลจิตทั้งนั้นอาศัยเป็นเครื่องอ้างอะไรทั้งนั้นแล้วบุญแต่ละตัวเนี่ยเราจะอ้างเป็นพาะกัลลนีก็ก็ยิ่งได้เลยครับถ้ายังบางคนเนี่ยผมถึงบอกว่าอย่างคุณมันนิีินั่งเนี่ยเคยเปล่อยกับผมว่าผมนี่แปลก เวลาที่ไปไหนมาไหนไม่ก็มีอะไรขัดข้องผมก็บอก่าจริงสิคุณบา ร, รมีวิยาวัจจายเยอะคือเป็นคนชอบขนขวายช่วยเหลือกิจการของคนอื่นแ้นคนผู้นี้จะไม่ค่อยมีข้อขัดข้องนะแม้ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าก็สามารถที่จ ะ, ะถึงความเรียบร้อยถึงความสาเร็จในสิ่งที่ทัทวปรารถนาจะทำอย่างหลักๆได้แต่ว่าคนที่ หลายคนก็อาจจะบกพร่องในเรื่องนี้นิดนึงว่าลักษณะบุญในแง่ของวอยาวัจจะเนี่ยคือเรียกว่าอยู่บ้านทันชอบนิ่งดูได้ไม่ชอบพังยุ่หัวปันควายให้ลูงท่านเล่นอะไรอย่างเนี้ยเป็นคนที่ไม่มีลักษณะอย่างนี้เราก็เห็นกันในสังคมอยู่เหมือนกันหรือคือไม่ใช่ไม่มีเลยมีน้อยแต่บางคนนั้มีมากเห็นใครเ็าทำอะไรแล้วอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ แม้แต่นั่งทิ่โตอาหารเนี่ยก็ต้องคอยดูว่าใครเขาหยิบไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงเอาใจใส่ทำเหมือนประจบแต่บางคนก็ไม่ได้มีลักษณะประจบเขาทำแก่ทุกคนอย่างนั้นจริงๆเป็นน้ำใสใจจริงของเขาคนพวกนี้ก็จะมีบา ร, รมีในทางอธิษฐานโดยปริยายติดตัวเข้าไปถ้าเราเอาอันนี้ไปใช้อธิษฐานความสำเร็จอย่างอื่นก็จะได้ผลแบบคู่ฝาคู่ตัวด้วย ปฏิทานการให้ส่วนกุศลก็เป็นบุญปฏิทานถ้ไม่ได้ให้วัตถุการอนุโมทนาบุญของบุคคลอื่นก็เป็นบุญหลักตรงนี้ความจริงน่ะกำหนดตั้งแต่อย่างประสบการณ์ง่ายๆว่าเราเห็นใครเขาดีเราเกิดความชื่นชมยินดีแก่เขาอย่างนี้ก็ถือเป็นอนุโมทนา ไม่ต้องเห็นก็เท่ากระตินทอดปาลาปลาหรอกครับเห็นคนเป็นคนดีเห็นเขาประสบความสําเร็จในโชคกุศลนิบากอย่างใดอย่างหนึ่งมีลูกดีมีอะไรดีก็ตามเราอนุโมตนากับเขาเราขั้วอนุโมตนานั้นชื่อว่าได้บุญจะได้รับความเจริญและจะเป็นบารมีติดตัวคนพูกนี้จะไม่เป็นคนที่ถูกคนอิจฉาแม้ไม่ต้องอธิษฐานนะคนอนุโมตนาแต่คนขี้ฉา ไม่มีปัตตานุโมตนานั้นก็มักจะมีคนอิจฉาแม้แต่ไปทำความดีแล้วบางทีวิบากส่วนนี้มันไปให้ผลตอนนั้นยังถูกอิจฉาเลยคนที่ไปทำความดีได้ดีก็ถูกอิจฉาทำความชั่วก็ถูกอิจฉาท ร, รมเทศนาและรรมสวนาและทิฏฐกชุกกรรมคือการทำความเห็นให้ตรงอ่ คือหมายความว่าเวลาเรากล่าวถึงหลักสัมมาทิฏฐิปลาลบเรื่องสัมมาทิฏฐิรับรู้เรื่องสัมมาทิฏฐิความคิดระวนเวียนอยู่ในสิ่งเหล่านี้แม้คิดเงียบเงียบท่านก็ถือเป็นบุญและเป็นบุญมากแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นบุญวิคติยาที่กล่าวได้ว่าทุกคนทําครบหมดไม่มีใครไม่เคยทําเราก็อ้างเพราะฉะนั้นเราจึงพบ และอะไรได้เคยปฏิบัติว่าเมื่อเราจะอธิษฐานนั้นเราจะอ้างถึงบุญที่เรากําลังทำนะถ้าบางอย่างที่ผมได้เคยบอกแล้วว่าถ้าเราจะอธิษฐานเพื่อความสําเร็จบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นกิจเฉพาะหน้าที่เป็นกิจเฉพาะหน้านะเราจะต้องทําบุญใหม่ทําบุญใบให้เห็นให้เห็นกับตาเดียวนั้นแล้วก็อธิษฐาน อธิษฐานความจริงแล้วเรามีความรู้สึกปราถนาตั้งแต่ก่อนทําแล้วว่าเราทําทําไมเพื่อความสําเร็จอะไรก็คือเพื่ออธิษฐานทําเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานด้วยบุญนั้นแล้วก็โดยบุญอื่ น, นๆที่ได้ทํารวมกันให้เป็นปาลวะปัจจัยเพื่อนําความสําเร็จที่เราจะทําความปราถนาต่อไปเป็นเรื่องหลักหรือเป็นเรื่องเฉพาะกิจกะต่าง เรื่องเฉพาะกิจเนี่ยความจริงเราก็มีตัวอย่างกันมากนะผมผมยกตัวอย่างอะไรหนึ่งบางท่านอาจจะเคยอ่านหนังสือมาแหละทีว่ว่าพุทธิการได้นําเอามาพิมพ์เป็นเรื่องคําเล่าของท่านเจ้าคุณวัดอามพรวันท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านทําบุญไว้อย่างหลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เด่นมากกว่าคนอื่นเขาคือสร้างซุม้มทาบุญสร้างซุม้มแล้วท่านก็ไป เลือดร้อนที่ประเทศสีลังกาปวดท้องอย่างแรงปวดต้องเ อ, อื้อหาที่เข้าส่วมไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงก็แม้หน้าเขียวหน้าแดงท่านเลยต้องตั้งสัตว์อดีฐานว่าตั้งก บ, บวดมาเนี่ยได้ทําบุญไว้ชนิดหนึ่งที่วัดกันจะมีห้องน้ําเป็นเลยลอยองเป็นเป็นรอยป่ะหรืนหลายหลา ย, ลายสิบคงจะเป็นร้อยนะ่ะผมจําตัวเลขไม่ได้แน่ ให้คนที่ไปปฏิบัติทำข่าววัดไปเข้ากันนั้นด้วยอํานาจบุญที่ท่านได้ทํานี้ถ้าบุญนี้มีจริงขอให้ท่านได้ได้พ้นทุกข์ไอ้ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยก็บังเอิญเลยะครับมีแขกหัวเมียเขามานิ ม, มนต์ท่านไปพราะาไม่รู้จะเป็นความบังเอิญหรื อ, อยังไงก็แล้วแต่ก็มองมาที่ลานเจดีที่กําลังปละกาลัง การศึกษากันนี่แล้วก็ส่องกล้องมาเห็นด้านเขาก็เลยมานิมนต์นิมนต์ให้ท่านไปปรากฏว่าเป็นบ้านของคนเมียนจีนในห้องน้ํานี่หมาวิเศษมากมีปลมมีสารพัดอ่างอาบน้ำก็มีเลยได้อย่างอื่นเป็นของแถมเขาเลยนิมนต์ฉันเฉินเสร็จพูดไงว่าตั้งฉันตั้งเอือ้อจะได้ครอบวงจร ท่านก็ดีใจดีใจว่าเออสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยเราอาศัยมาเป็นเครื่องอ้างอิงได้นะนั้น เ, เราเนี่ยบางทีเรามีความปรารถนาต้องการอะไรเป็นเรื่องเฉพาะหน้าใกล้ๆอยู่เนี่ยแล้วทําบุญให้มันมันกลงหลักมันกลงหรือทํำไมได้ทำเนี่ยเราก็อ้างอ้างบุญถ้าเราได้ทํำไปแล้วว่าเนี่ยเราได้ทําบุญนี้ขอให้ความสําเร็จอย่างนี้จงเกิดขึ้น ก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นได้ถ้าบุญนั้นเราได้ทำเอาไว้มาก อ, อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งในเรื่องในกงสวดานเรื่องของสวัสด์ของพระเทรานุเทราอื่นๆก็มีตัวอย่างในตำนองนี้มากมายนะะบางคนก็ชอบชอบกินทุเรียนมีคนนะ นามสคุณสุจเลตุณเป็นนักศึกษาไปทำเก่าอ่ะเวลานี้ก็แก่แล้วด้วยแต่เรียนที่อื่นก็ทาบุญด้วยตัวเรียนเยอะแล้วก็วันดีคืนดีก็อยากกินตัวเรียนแกบอกฉันไม่ได้อธิษฐานนะอ่ะพอฉันอยากอนะ่ะตัวเรียนมาผู้เรียนม า, น ม, ามีคนเอามาให้ไม่ต้องอธิษฐานนี่คงจะเป็นว่าบุญนั้นได้ทําจนกระทั่ง ถึงที่แค่ต้องการนะจำนวนทางศาสนาถึงบอกว่าได้ตามต้องการได้ตามปรารถนาเนี่ยสาหรับคนที่ทําบุญเอาไวนะ้น่ะแค่มีความคิดปรารถนานี่จะไม่ผิดหวังเราเรียกว่าสมหวังบุญเนี่ยําให้สมหวังหวังสิ่งใดแล้วบุญก็นําสนองได้ทันท่วงทีแต่นี่เป็นส่วนของการอ้างบุญอ่าเราว่าเท่านี้ทีนี้ อ, อีกมุมหนึ่ง คือการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะในทางศาสนาเนี่ยเราก็จะอ้างคุท ธ, ธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพก็มีการอ้างนมีการอ้างกันหลายอย่างบางทีอ้างแบบท้าทายก็รู้สึกว่าพระกลัวคนทามกันเท่าสิ่ฟังดูหลายๆคนอาจารย์นิสาก็เคยเล่าไปไปอินโดนีเซียใช่ไหมล่ะเนี่ยว่าถ้าหากพุท ธ, ธานุภาพ ทำมานุภาพสังคารนุภาพยังมีอยู่ขอให้เกิดปรากฏการอาศาจารย์ขึ้นแล้วก็มีตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนมีคนที่วรู้จักคนหนึ่งไปอินเดียครั้งแรกก็เขียนหนังสือเนื้อหาไว้อ่านกันด้วยแล้วเป็นคนที่ใจบุ ญ, บญทุทธานใกล้ ย, ยิ่ศาสนามากไปที่นั่นก็อธิษฐานว่าถ้ามีพุทธานุภาพอยู่ขอให้แสดงปฏิหารใ้เห็นปรากฏว่าเกิดลำแสงขึ้นเลยต่อหน้าต่อตาแล้ อธิษฐานคนเดียวแต่คนอื่นรลอยเห็นไปด้วยอย่างนี้เราเรยอ้างคุจานุภาแต่อ้างอย่างนี้แบบอ้างราทายหน่อยแต่ไม่ใช่ท้าแบบลองดีนะแต่เราไม่แน่ใจก็เลยอ้างบางทีก็อ้างพระพระหมายจะบอเครื่องอะไรอะไรเนี่ยนะลักษณะอ่าทายว่าผมผมยกตัวอย่างจริงๆมีคนเขาให้พระอะอยู่ลำปาง องพลลคพระรุ่นระคังเขาบอกว่ารุ่นระคังสร้างเหมือนละคังชื่อพระอาจารย์อะไรที่ดังๆอาจารย์เกษมเข็มมะโกนะเราก็ได้มาเราก็มารู้จักท่านหละได้แต่ได้ยินกขติศัพท์มาถึงเราก็อดิษฐานเลยอดิษฐานคือเราก็เล่าก็ให้มันหมดเปือกนะตอนนั้นนะ่ะมันจะต้องใช้เงินก้อนหนึ่งพอดี เราก็ได้พลันมาพอดีเขาเลี่ยมทองให้เสร็จใช่นหมก้อนนั้นยังดีเลยเราก็มาที่ถามว่าถ้าหากว่าหลวงพ่อกเกษมมีความศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ได้เงินก้อนนี้โดยจับพลันจำได้ว่าไม่ข้ามสามวันนะมีคนเอาเงินมาให้เลยกลัวหลวงพ่อกเกษมอยู่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เออเราก็ว่าแปลกดี อดีฐานทั้งเดียวก็เลยให้คนอื่นเข้าไปพระองค์นั้นนะให้ญาติเข้าไปแล้วก็บอกกันเนี่ยได้ทดลองอดีฐานมาแล้วลองดูไปทํามาค้าขายอาจจะยิคก็เลยให้เข้าไปทั้งพระทั้ง ท, งทองที่เลี่ยมเสร็จหมดเราก็ใช้กุ้งค่าเลยนี่เออทีนี้บางคนเขาบอกว่าแหมอันตรายไปพูดท้าทายกับพระอาจารยนะแต่ก็ยังว่าเราพระที่ก็ท้าพระเงมืกันแหละ ละเนี่อย่างเช่นหลวงพอลีเมื่อก่อนท่านไม่เชื่อมีพระธาตุแล้วก็ไม่เคยเห็นมาเห็นจากคนหนึ่งก็ไปให้ที่วัดบร ม, มีวัดตอนนั้นท่านไปที่นั้นแล้วท่านก็อธิษฐานมานั่งสมาธิอันนี้เรียกว่าใชา้ภาวนากุศลเป็นฐานแล้วก็อธิษฐานแบบท้าวท้าพระบรมมาสารีที่กระธาตุมีอยู่จริงพุทธานุภาพมีจริง ขอให้พระธาตุเสด็จมาเข้าพานที่จัดไว้ดีแล้วภายในคืนนี้มาเลยครับพระธาตุมาในคืนนั้นเลยเนี่ยก็เรามองดูความรู้สึกของคนอธิฐานอย่างนี้ในความเข้าใจผมว่าน่าจะไม่ใช่เป็นการท้าทายและย่ำหยีนะแต่เป็นเรื่องของความศรัทธาแต่ผอมตัวว่าไม่มีประสบการณ์ ไม่แน่ใจนะก็เลยเรียกร้องทั้งความสำเร็จและความแน่ใจไปด้วยกันซะทีเดียวเลยนี่การอ้างคุถานุภาพในทางอธิษฐานจะเป็นอธิษฐานเพื่อตัวเองหรือให้ตอนเนี่ยโบราณทากันมานานเราจะเคยได้ยินบทสวดหรือบทคาถาที่ บางทีบางคนอาจจะสวดอยู่ทุกวันนี้ว่าสัพพุทธานุภาเวนะใช่ไหมสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอย่างเวลาสวดเรบาบอกสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพรักขันตตสัพพเทวตาขอให้เทวดาทั้งหลายจงรักษาท่านนี่เป็นพร พ่อนปลาสัพพธรรมานุภาเวนะรักขันตุสัพพเทวดาสัพพเตวตาสัพพสังฆานุภาเวนะรักขันตุสัพพเตวตา เ, าเวลาเขาเรียกว่าปลอนะไรผ่พนปลใช่ไหม เ, เวลาปลาสดอันนี้อ้างอ้างพุทธคุณแล้วโบราณไทยเราเนี่ยบางทีเอาไปแต่งวงเลง อย่างยกตดวยอย่างเช่นเพลงฟอนเงี้ยวเงี้ยวนะเป็นชื่อขงไทยใหญ่นะเป็นไทยใหญ่นี่อาจจะมีบางคนร้องได้แต่ไม่เชิญให้ร้ อ, องหรอกผมผมว่าเนื้อเพลงให้ฟัง <c oughs> <c oughs> ขออวยชัยพุทธที่ไกลช่วยคำทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวคนจงได้ฮับสับพพิมิงมงคล นาณาธนาขอคืออยู่สุขขาด้วยธรรมานุภาพเจ้าเทพปประดาช่วยเอาถือเป็นนิ่งมงคลอันนี้อ้างพระพุด อ, อ้างพระอ้างพระธรรมแล้วก็อ้างเทวดาแล้วก็ขอคืออยู่สุขขาโดยสังขานุภาพเจ้าเทพระดาช่วยเ้าถือเป็นนิ่งมงคลอันนี้ก็ ความจริงเห็นจะถอดแบบมาจากพรหระเมื่อกี้มีเทวดากำกับนะเดี๋ยวเราก็สงสัยทําไมต้องไปพึ่งวีสังเทวดาทําไมต้องไปพึ่งเสียงสีสังเทวดาอาในทางหลักศาสน า, านะึงถือว่าเทวดาตรงนี้ต้องหมายถึงเทวดาสัมมาทิตฏฐินะหรืออาจจะเป็นเทวดาญาติสาลุหิตของเราแต่ละคนแต่ละคนเนี้ยมีเราอ้างได้บางทีเนี่ยโถเลยใช่ ขูเลยก็ไม่รู้บาปหรือบุญนะผมก็เคยเหมือนกันเว <c oughs> ลาเราอ้างมาเอาช่วยดูแลอะไรหน่อยถ้าหายถ้ายุ่งนะเดือดร้อนนะก็ขู่หายไม่ได้นะอะไรอย่างนี้เราก็ขูก็ขูทีเล่นทีจริงกันนะขูจริงๆเดี๋ยวเกิดหายขึ้นมา <c oughs> ดีมือเทวดาเาทว ด, ดานั้นในทางหลักศาสนาที่ว่าเป็นผู้ที่มีฤทธ ใช่ไหมที่เียกว่าเทวฤกมีฤกษ์โดยกําเนิดเช่นมีตาทิพย์โดยกําเนิดหูทิพย์โดยกําเนิดเนี่ยที่มนุษย์ทําตาทิพย์ได้ถึงเรียกว่าหูทิพย์อะทิพยาเนี่ยเป็นชื่อของเทพของเทพหูทิพย์ก็หมายถึงหูเพียงดังเทวดากำหนดรู้ใจก็เป็นฤกษ์ของเทวดาแล้วก็ห่อเหินเรื่องอากาศแสดงฤกษ์ได้เทวดาทําได้นี่เป็นพวกนี้เขามีอำนาจอยู่แล้วน้นเวลาอ้างเนี่ย ถ้าเทวดาตนใดอยู่รักษาเรือนรักษาวงะกุลเมื่อเราอ้างถึงเขาเห็นว่าได้ช่องโคนแก่กันสนับสนุนเขาสนับสนุนนะหรือเทวดาที่เป็นาาญาติสาริตเก่าที่เราเคยอนุเคราะห์เกื้อกูลเขามาเก่าเขาจะช่วยสนับสนุนแล้เรื่องอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างผู้ที่ศึกษาตื่นเมื่อยามนานเนี้จะเห็นว่า ท่านเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทต่อความสาเร็จต่อภารกิจของเรียกพ่าคนดีๆที่เทวดารักษาเนี่ยอย่างพระดีๆเนี่ยลูกสิษย์เทวดามาช่วยเกื้อกูลอย่าว่าแต่พระรุ่นสาวกแล้วแม้แต่พระพุทธเ จ, จ้าเองที่ท่านก็นรู้ได้เองท่านมักจะบอกว่าเมื่อบางทีก็มีคนถามว่าท่านรู้เองหรือเทวดาบอก พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสว่ารู้เองได้รู้เองด้วยเทว ด, ดาก็าบอกด้วยอืไม่ได้ใช้จังหน่อยอย่างหลวงปู่แหวนนี่เหมือนกันจิตอะไรต่างๆของท่านเนี่ยท่านพวกนี้ไปช่วยบางทีคนไม่รู้ไปช่วยสนับสนุนอันใดอันหนึ่งนะไอ้ที่ท่านรู้เองก็มีแล้วก็ะละหลายๆองค์ที่เราเห็นว่าท่านมีบารมีทําไมาอยู่ๆคนนี้ก็ ถึงมาที่นี่ปรดราดมาที่นี่ก็อาศัยแรงสะกิดแรงชักชวนแรงดนใจของพวกนี้แต่ น, นี้ฝากสกายที่ยังไม่คุ้นก็ลองสังเกตศึกษาดูว่าสิ่งเหล่านี้มี อ, อนุภาพอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยเหลืออยู่เป็นอย่างมากยิ่งคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนแล้วเขาลมหายตายไปเนี่ยนะอย่างไปวันอโศเนี่ยผมก็รู้จัก เขาแม่ชีรู้จักพระหลายองค์แล้วก็ที่นั่นนะท่านไม่เคอยอ้างพระวุฒิพระธรรมปะสงค์เขาท่านอ้างหลวงพอหลีนม่อ้างหลวงพ่ลีเวลาจะทําอะไรสักอย่างท่านจะอ้างหลวงพอหลีขอให้ช่วยให้สําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องประหลาดทุกคนที่เล่าให้ฟังอะที่ไม่สําเร็จเขาคงไม่เล่านะอันนี้ที่สําเร็จ เล่าให้ฟังหมายถึงที่เขามาเล่าพอสำเร็จที่ไม่สำเร็จเราเลยไม่รู้ไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปวิจัยดูก็สำเร็จเป็นเป็นเรื่องแปลกจริงๆเขาถึงบางคนเป็นทีเคยมีลูกมีหลานเวลาเดินเข้าซอยเปรี่ยวเอาพระกันไปบ้างเอาลูกกันไปบ้างหรือบางทีไม่ได้ติดตัวบ้างแล้วก็เกิดมาเห็น คนเดินสวนทางมาท่าทางไม่ดีกลุ่มหนึ่งผู้ชายก็อธิษฐานอธิษฐานหายได้่ะคือหมายถึงพวกนั้นไฟทางอื่นได้หรือไม่แสดงบิลามองคนเดินสวนทางกบไอ้คนบ้าขอยกด้วยอย่างคนหนึ่งแต่ว่ารายนี้น่ะไามา่ได้อ่างพระเป็นโองคเงี้ยท่าน เดินบนคันนาบรรหนอกใครเคยเห็นนะบรร น, นาตอคนานากตอนที่เขากำลังจะดำนากันมีน้ำเต็ ม, มนะคันนาำก็เล็กๆก็มองไปที่ทางหน้าเห็นไอ้ผู้ชายบ้าคนหนึ่งมันถืออีดามันเดินเครื่องมาเจ้าครับปรีเข้ามาตัวจะถอยก็ไม่ได้เสียเสียเกียรติหมด แล้วท้อยก็ไม่รู้จะหลุดรอดปลอดภัยหรือเปล่านะไอ้บ้านี่มาเพระเพื่อนีบ้าร้ายไมบ้าดีแต่รู้รู้รู้จักคนนี้อยู่ก็เดินสวนมาทําไงเนี่ยท่านก็อธิษฐานเลยอ่างบูญอ่างกุศลสรารพัดแหละครับว่าขอให้อย่าได้เกิดอันตรายเพราะเจ้าคนบ้าคนนี้แล้วก็เดินสวนทางขึ้นไปไม่ถอยกลับนะ ถ้ถอยกลับก็ามาได้พิสูตน์อธิษฐานมันพิสูจน์ขาแล้วพอเดินไประยะห่างกันพอสักวารสองวาเนี่ยไอ้คนบ้านนั้นหลบลงไปยืนจมในน้ำคถือยังถืออีดาบยังก็ทหารเข้าแถวเล้มก็ยิ้มให้เก็ก็ท่นก็เลยเดินผ่านไปพอเดินผ่านไป พอสองควรไอ้โคนบ้างก็ขึ้นอย่างน้ำเดี๋ยวกลับมาดูแล้วก็เดินต้องมันต่อไปเนี่ยหลุดลอดจากการถูกคนผ้าฟันหัวเพราะอธิษฐานนี่มันก็เป็นเรื่องที่แปลคืออันนี้เราเราเราควรจะรับทราบอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นสัตว์ที่เราพูดส่งภาษากันไม่รู้เรื่อง คนบ้าพูดก็ไม่เรื่องมีสิ่งห่งที่พูดรู้เรื่องคือใจอาธิษฐานใจส่งกระแสใจนี่ครับอยู่ในกระบวนการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการสื่อความหมายการรูงเรื่องยิ่งกว่าภาษาภาษานี่เป็นเพียงของที่ออกมาจากใจแล้วมันอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างอเต็มความรู้สึกบ้างไม่เต็มความรู้สึกบ้าง แต่ถ้าใจออกมาแล้วก็เต็มความรู้สึกจึงใช้กับพวกนี้รู้แล้ว่าใช้ภาษาใจพูดกับพวกนี้ได้ผลเพียงภาษาเดียวแต่ทีนี้อนุภาพของคุณมารดาบิดาเอาในในในชาดกเนี่ยก็เล่าเล่าไว้หรือเรในคัมภีร์ทางศาสนาเล่าไว้ก็เราก็เคยเล่าเล่าอู่บนปางนี้เล่าใันฟังอีกนิดนึงว่าอ่าเช่นท่านเล่าถึง ลูกดื้อคนหนึ่งไปฝืนคำห้ามของมารดาหนีเข้าไปเที่ยวในป่าแล้วก็ไปเจอควายป่ามันจะวิดเอาตัวก็กลัวไม่มีทางที่จะนำตัวรอดไปด้วยวิธีอื่นก็ระลึกถึงคุณของแม่ว่าก่อนที่เราจะเข้าป่าเนี่ยแม่ดาเช่ง เราขอใ้ัถูกควายควายขวิดตายในป่าจยาได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกแต่เมื่อไปเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเขาจริงๆเนี่ยคนไม่ว่าโอ้โหนี่เราเราจะต้องมาตายเพราะคำแข่งของแม่แหละแต่ตัวก็รู้ว่าแม่เนี่ยไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้ลูกตายใช่ไหมแล้วยิ่งตายอย่างนี้ไม่มีใคร อยากจะให้ตายเป็นาดกอ็อ้างถึงพระคุณความรักของท่านว่าสิ่งที่แม่พูดแม่แช่งนั้นแม่พูดไปยังนั้นแหละแต่หัวใจของแม่ใจิตใจของแม่นั้นไม่อยากจะให้ลูกได้รับความอัยนะได้รับไปพิบัติอย่างที่พูดเลยสิ่งอสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่มีอยู่ใน ระคุณของแม่ขอให้ควายยงหันกลับไปทางอื่นเนี่สั่งให้ควายหันกลับไปทางอื่นปรากดว่าควายหันกลับไปทางอื่นไม่ทำอันตรายแกเด็กคนนั้นนี่อย่างนี้อธิษฐานลอวทีนี้อันนี้เราสังเกตว่าพระที่ท่านไปทุ่โดงในป่าเนีย่ยนะท่านมักจะอธิษฐานพระพุทธเจ้าสั่งเลย ว่าวิธีการอธิษฐานอย่างที่พระท่านใจบางทีท่านอธิษฐานแบบ <c oughs> ยังไงก็ได้พวกที่ไม่อะไรชีวิตแล้วนะ <c oughs> เช่น อ, อพระบุญนาคอันนี้ <c oughs> เป็นพระรุ่นก่อนผมเกิดแต่รุ่นเราหลายคนยังทานระบุญนาคเดียวกับมาาันตาเมื่อกีนั่งปุ๋ว้สองเล่มหายไปเล่มแล้วท่านก่าเราท่านไปเจอเสือ ที่ป่าและท่านก็อธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าเราเป็นคู่เวรกันกล่าวคือถ้าข้าพเจ้าได้เคยไปเบียดเบียนท่านไว้ขอให้ท่านจงมาทำอันตรายข้าพเจ้าแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยเบียดเบียนกันไว้ขอให้ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไปขนเดิงอ่ะคงจะไม่เคยเบียดเบียนกันไว้เสือมันก็โลภาษามเข้าไปพระรุ่นเรานี่ก็มีองค์อยู่วัดวัดโพเดี๋ยวนี้ท่านไปเจมิมกันฮะบอกว่าไปอ่าเดินยงกลมนั่งกรรมฐ า, านอยู่ที่ใกล้สระแห่งหนึ่งก็มีเสือโคร่งลายพันกรตัว ย, ยาวเยือกมันลงมากินน้ําตรงนั้น แล้วก็พระกระเสือก็หันหน้าม า, าเจอเงาพระจะลุกหนีก็เสียพระไม่ได้ท่านบอกว่าท่านกลัวไม่ใช่ไม่กลัวยังอาไรชีวิตอยู่แต่นึกถึงบุตรจริยาของบรรดาพระกรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านก็ประนมหัดขึ้นอ้างถึงพระพุทธธรรมมาสงคุณบิดาครูบาอาจารย์บุรพาอาจารย์แล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานว่าด้วยอํานาจ คือกลัวไม่ขลังนะเอาหมดประพุทธธมประสงค์ปีศาจเทวดากูบาอาจารย์พ่อแม่และมาตบท้ายด้วยถ้าไม่ได้เป็นคู่เวนกันขอให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปเสือพอมันกินนม้มหันมันมันมาเห็นแล้วมันก็สะบัดหางหันกลับไปทางอื่นเหมือนไม่มีคนแปลกหน้าอยู่ที่นั้นมันก็ไปท่านก็เลยรอดมาจนถึงทวันนี้ เนี่ยเราก็ลองเอาไปใช้ดูเจองูเจออะไรก็ได้ใช้วิธีทิ่ฐานอานี้อ่า <c oughs> น พ, พุทธเจ้าเนี่ยท่านขันสั่งพระเลยอย่างที่ได้เคยอ้างถึงประสูตรหนึ่งแต่ยังไม่ได้พูดถึงกันในการบรรยายที่ชื่อว่าทัชชคับปริสูตรที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องรงท่านลาวา่ทาท้าสักกะยกกองทัพ ไปสลบตะลุมบอนกับพวกอาศูรทีนี้มันลบกันแล้วผู้ทหารก็กลัวท้าศักดการท่านก็สั่งบอกว่าเวลาท่านกลัวขอให้ท่านจงมองมาที่ธงประจําตัวของเราท่านจะหายกลัวหายขนพองสยองกล้าและถ้าหากว่ามองที่ธงของเราแล้วยังไม่หายขนทองสยองกล้าวมองที่อธงของแม่ทัพเราจะหายขนทองสยองกล้าว เมื่อออกไปสู่สมรภูมิก็ปรากฏว่าเทวดาบางพวกหรือทหารบางพวกหายจริงๆบางพวกก็เป็นๆนาย ห, หายบางพวกก็ไม่หายเลยความสะดึ้งสะเทือนไม่กระเทาะรียนเลยกลัวตลอดหลวงเตจ้ทาท่านก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้วิสูทั้งหลายฟังว่าที่บางพวกหายบาง